ปฏิบัติที่ที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ลูกชายเนี่ยจะเป็นคนสอนสอนธรรมะให้เขาจะบอกว่าเวลาที่คนเราเนี่ยนะแม่เวลาที่มองมองอะไรหรืออะไรเนี่ยมันจะเข้าไปผ่านหัวก่อนหรือไปผ่านความคิดก่อนเมื่อผ่านความคิดแล้วเนี่ยรู้อันนั้นเนี่ยจะเป็นรู้ที่ผสมความคิด จะเป็นรู้ที่ผสมความคิดทั้งนั้นเลยมันจะไม่ใช่รู้ล้วนๆแล้วจะตกเป็นธาตุของความคิดตลอดเวลาเลยคนทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าแม่จะคุยกับใครหรือจะอะไรก็ตามหรือว่าพอกระทบอะไรปั๊บเนี่ยมันมันจะไปผ่านสมงองก่อนจะผ่านความคิดเมื่อผ่านความคิดแล้วเนี่ยรู้เนี่ยจะเป็นรู้ที่บวกด้วยความคิดทีนี้เขาก็บอกว่า แม่จะต้องทําอย่างนี้นะคือพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดคําว่าปัจจุบันเนี่ยคือกระทบปั๊บรู้ปั๊บไม่ใช่กระทบกระทบกระทบเอารู้เมื่อวานไม่ได้รู้พรุ่งนี้ไม่ได้หรือรู้ให้เป็นรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันคือกระทบปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยอันนั้นอ่ะมันจะไวประมาณนั้น และในรู้นั่นเนี่ยอย่าให้มันผ่านผ่านหัวอย่าให้มันผ่านอย่าให้มันผ่านสมองอย่าให้มันผ่านความคิดถ้ามันผ่านความคิดเมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนกับเราใส่แว่นตาเนี่ยใส่แว่นตาดำไอ้ใส่ปกติคนเราเนี่ยจะไม่ใส่แว่นตาก็จะมองตรงๆแต่เอาแว่นสีมาสีแดงสีขาวสีอะไรเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องของความคิดเอามาเอามาบวกกับตัวรู้ตัวนี้เพราะฉะนั้นให้ฝึกว่า รู้ตรงๆเฉยๆโดยไม่ผ่านความคิดไม่ไม่มีความคิดผสมแต่นี้พอทาไปทาไปเนี่ยเราก็อยู่กับปัจจุบันตลอดพออยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยอย่างอย่างเวลาที่เรารู้เนี่ยเราจะไม่รู้อย่างเดียวเพราะว่าหลวงตาบอกว่าสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจแต่เวลาที่มันรู้จริงๆเนี่ยอย่างแม้แต่ขณะ น, นี้เนี่ยตามองหลวงตาเนี่ยก็รู้ รู้รู้รู้ตรงๆ ร, รู้ตรงๆก็คือรู้หลวงตาเฉยๆโดยไม่ผ่านความคิดแต่ในขณะที่รู้หลวงตาและเห็นหลวงตาเนี่ยก็รู้ถึงลมที่กระทบด้วยลมลมเย็นๆ ท, ที่ที่ที่แอร์เนี่ยเข้ามากระทบด้วยแล้วก็รู้ถึงเสียงของคนอื่นที่พูดมาด้วยคือรู้นี่มันรู้รอบไปหมดเลยมันไม่ได้มันไม่ได้รู้แค่ว่ารู้ที่ใจอย่างเดียวและในขณะเดียวกันเนี่ยที่ใจเนี่ยมันมันพูดขึ้นมาอย่างที่หลวงตาสอน ก็รู้ด้วยเพราะฉะนั้นรู้ที่มันรอบไปหมดเลยก็เลยที่ที่ทหลวงตาบอกกับบอกว่าพระ อ, อนุนท่านบอกว่าที่ท่านเดินไปที่ทะเลที่ทรายแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายหรอกพระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่อยู่ในอากาศอยู่ในอยูใ่ในตัวของเธออยู่ในเม็ดทรายอยู่อะไรทําให้รู้สึกว่ารู้เนี่ยมันมัน มันหมดเลยรอบรอบตัวเราเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าในขณะที่เวลาที่เรารู้เนี่ยในรู้นั้นเนี่ยมีความคิดผสมอยู่ด้วยหรือเปล่าบางทีเร า, เราพอทันทีแล้วเรารู้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเจือด้วยความคิดนิดหนึ่งหรือว่าหรือว่าไม่ได้เจอเลยเป็นรู้ใส่ที่บริสุทธิ์จริงๆเลยอันนี้เราจะมองเห็นทันทีเลยค่ะแล้วก็หลวงหลวงตาวาด โยมเนี่ยควรจะไปโฟกัสอยู่ตรงอยู่ที่ใจรู้ที่ใจอย่างเดียวอยู่ที่ใจรู้ที่ใจอย่างเดียมันจะได้มีกําลังคืออยู่ตรงสังรูปเวทนาสัญญาสังกัดวิญญาณขันอยู่ตรงวิญญาณขันอย่างเดียวหรือว่าโยมทําอย่างเนี้ยอย่างที่เคยปฏิบัติมาก็คือรู้รู้อยู่กับปัจจุบันคือกระทบปั๊บรู้ปัป๊บกระทบปั๊บรู้ปั๊บจน ไปฝึกทางอย่างนี้ให้ชำนาญแล้วก็รู้รอบไปอย่างนี้อันอันไหนจะเหมาะกว่ากันคะอืมมันไม่มีว่าอันไหนจะเหมาะกว่าจะเข้าใจได้ไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนคือ แม้แต่ไม่ว่าเราจะพยายามทํำลักษณะอย่างไรก็ตามคือไปกระทบปั๊บรูปปั๊บกระทบปั๊บรู้ปั๊บหรือว่าเอสติตั้งจิ่ใจดูทีใจรูที่ใจก็ตามเนี่ยตาแต่เราไม่รู้อยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ตัวว่าเรารู้เนี่ยเพื่อจะเราเนี่ยเอาตัวเราไปเอาอะไรปัญหามันอยู่ตรงนี้คือว่าปัญหาไม่ไม่ได้อยู่ว่าวิธีการอย่างไรแต่เราไม่รู้ว่ารู้ตัวว่า ขาปัจจุบันที่เราไปทำอย่างนั้นเนี่ยเราไปทำเพื่อเราจะไปเอาอะไรหรือเราแค่รู้ตั้งหาปัญหาอยู่ตัวแค่ตรงนี้ถ้าเราแค่รู้แล้วเราจะรู้ยังไงก็ได้เพราะเราแค่รู้จริงๆไม่มีตัวเราจะไปเอาอะไรรู้ในปัจจุบันแล้วก็มันก็จบไปผ่านไปในปัจจุบันดูปัจจุบันมันก็ผ่านไปจบไปในปัจจุบันมันไม่มีตัวเราจะไปเอาอะไรในอนาคตแต่ที่ สังเกตไหมว่าเราจะหากรมวิธีว่าเราจะรู้ยังไงดีหรือจะรู้นี้ดีหรือจะรู้อย่างนั้นดีหรือเราจะรู้อย่างนี้ดีลองลองสังเกตดูตัวสังเกตใจเราให้ดีว่าสังเกตตัวเราไ็่ใช่สังเกตเป็นสังเกตอาการที่ใจเน่ะเราพิจารณาให้ดีเลยว่าที่เราเนี่ยไปแสวงหาวิสีเช่นนั้นเนี่เพื่ออะไรเพื่อเราจะไปเอาอะไรใช่ใชทีแรกที่คิดว่า แค่เรารู้ว่าความคิดแวบเข้ามาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าความเป็นเรามันแวบเข้ามาแล้วแค่แค่ตรงนั้นนะคะแค่ความคิดที่มันปึ๊บเข้ามาคือความไหวตัวของจิตเนี่ยหรือเนี่ยตรงเนี้ยคาคิดว่าความเป็นตัวเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ม ไ, มได้แบบนงงั้นความตัวเราไม่มด้อยู่ที่ขณะที่กระทบนั่นหรอกความเป็นเราคือเราอ่านใจเราไม่ขาดว่าคือมันมี ความรู้สึกว่ามีตัวเราจะไปเอาอะไรเราอ่านใจเราไม่คาดใช่ตรงนี้ส่างหถ้าไม่ไม่มีความรู้สึกว่าจะมีตัวเราไปเอาอะไรมันก็อะไรผ่านเข้ามากระทบมันก็ก็แค่รับรู้อะไรกระทบก็แค่รับรู้ถ้ามันที่ความทุกข์อยู่ทุกวันนี้ยทุกคนที่มีความทุกขก์ทุกข์ก็คือว่ามันมีตัวเรา ที่จะไปเอาอะไรมันก็เกิดอะไรเกิดกิเลสตัญหามันจึะมีความทุกข์ไม่มีตัวเราได้จะไปเอาอะไรไม่มีกิเลสปัญหาไมีความทุกข์มันก็แค่การรับรู้ตามธรรมชาติตาก็เห็นก็ผ่านจบไปหูได้ยินก็ผ่านจบไปจมูกได้กลิ่นดินลิมบัสการสัมผัสแล้วก็อาการภายในใจมีความรู้สึกหรกอคิดอารมณ์อย่งางไรก็ tray, เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปธรรมชาติของเขาก็ได้แต่แค่รับรู้แค่รู้แค่เห็นหรือแค่รับรู้แต่ถ้าไม่มีตัวเราจะจะไปเอาอะไรความทุกข์ก็จะไม่มี กิเลสไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีมันมีก็เพราะว่าเนี่ยปัญหามอยู่ตรงที่จะมีเรานไปเอาอะไรหรือเราเนี่ยไม่อยากได้อะไรมีตัวเราเข้าไปอยากหรือไม่อยากในสิ่งที่เราหลับรู้ต้องอ่าจใจถึงให้ขาดส่วนวิธีการนั้นไม่เกี่ยวอือทำไมหมาพูดวิธีการที่มา่อี้นี้โ ย, ยมูตกราบเรียนถามหลวงตานั้นไม่เกี่ยวคือ ว, วิธีการทุกสํานักไม่ว่าสํานักไหนที่สร้างมาเนี่ย ถ้าวิธีการนั้นเนี่ยสร้างมาเพื่อให้เราเนี่ยปล่อยวางตัวเราความรู้สึกว่ามีตัวเราจะไปเอาอะไรได้อันนั้นแน่ถูกต้องหมดเลยคือปล่อยวางเอาวิชาเพื่อจะดับวิชากิเลสตัณหาคือดับความรู้สึกว่ามีเรามีตัวเราจะไปเอาอะไรวิธีการสํานักใดก็ตามไม่ว่าจะมีกรรมวิธีใดก็ตามถ้าวิธีนั้นเนี่ยเพื่อดับความเป็นตัวตนของเราที่ว่าจะมีตัวเราไปเอาอะไรได้คือดับเอาวิชากิเลสตัณหานได้ทุกหมด แต่ถ้าไปเพิ่มมาวิจารกิเลสตัณหาผิดหมดมันจึงไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการเกี่ยวกับปัญญาของเจ้าตัวหลวงปู่ทาจารุทโมพ่อแม่ครัวบาอาจารย์ท่านชอบใช้คํานี้มากกว่ามันเกี่ยวกับปัญญาของเจ้าตัวไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการหวงตาคะแล้วที่ที่ยโยมหมูบอกว่ารู้เนี่ยคะ่ะเวลาที่เรารู้เนี่ย มันมาทุกทิ่ทุกทางเลยใช่ไหมคะที่ที่แบบก็รรมตาหูจมูกล่างกายใจมันหกประตูเนี่ยมันก็ต้องรับรู้เนี่ยหกประตูก็ธรรมชาติธรรมชาติก็รับรู้อยู่แล้วถ้าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วเราจะรับรู้ได้หมดเลยใช่ไหมคะมันก็เป็นธรรมชาติก็รับรู้อยู่แล้วรับรู้อยู่แล้วแล้วปัจจุบันคือสติ ไ ม, ไ, มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่สติสติปัญญาคือรู้ซื่อๆ อ, อ๋อใช่แล้วปัจจุบันคืออะไรคปัจจุบันคือทางเดินได้เฉยปัจจุบันคือทางเดินอดีตเป็นทำเมาอน า, า, าคตเป็นทำเมารู้ปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุเป็นทางเดินทาให้ได รู้ซื่อซื่อปัจจุบันไม่ใช่เอาปัจจุบันรู้ซื่อซื่อจิตรู้ซื่อซื่อตั้งตาหูจมูกนิ้งกายใจอย่างปัจจุบันขณะดที่ว่ารู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อรู้ต่างตาหูจมูกนิ้งกายใจรู้ซื่อซื่อรู้อย่างที่เขาเป็นไปเป็นมาไม่เข้าไปไปติดหลักติดเจ้รู้ซื่อซื่อน่นจะเป็นสติปัญญาไม่ใช่ปัจจุบันเป็นสติปัญญาคือรู้ซื่อซื่อในขณะกระทบปัจจุบันเป็นปัจจุบันขณะแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นนิพพานรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อนั่น เป็นนิพพานรู้ซื่อแต่ว่ามีปัจจุบันเป็นกําลังใช่ไหมคะใช่ใช่รู้ซื่อในปัจจุบันนไงรู้ซื่อในปัจจุบันนี่แหละมันจะรู้ซื่ออดีตรู้ซื่ออนาคตรู้ซื่อในปัจจุบันนี่แหละทางตาเขาจะหมดใจใจรู้ซื่อซื่อในปัจจุบันรู้ซื่อซื่อสัตวตะวัรู้ซื่อซื่อหรือสัตว์ตะวันหรือรู้ทุกอย่างได้ความเป็นกลางรู้ซื่อซื่อคือสติปัญญาแต่ว่า ปัจจุบันคือไม่หลงใช่ไหมคะปัจจุบันคือไม่หลงไม่หลงเลยถ้าเราไม่หลงเลยและเอาเอารู้ซื่อมาประกอบกันเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ว่าจะพ้นทุกได้จะพ้นทุกได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าโยมุถ น, นัดในเรื่องของถ้าถนัดในเรื่องของปัจจุบัน แต่ในเรื่องของปัจจุบันคือเขาปั๊บรู้ปั๊บกระทบปั๊บรู้ปั๊บเนี่ยมันเป็นจะไปอ่านใจขาดนะกระทบปั๊บรู้ปั๊บกระทบปั๊บรู้ปั๊บเนี่ยถ้าเราไปไล่รู้ก็จะไปเอาอะไรนะอนันตปีกิเลสตัณหาต้องอ่านใจด้วยให้ขาดมันไม่เป็นรู้ซื่อๆแล้วเงี้ยคือรู้ก็จะไปเอาอะไรอนันตปีกิเลสตัณหาตันี้เราไม่ต้องไปดูว่าเราเราไม่ต้องไปเห็นความก็เพื่อไม่ต้องไปอะไรเลยเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าในในเนี้ยมีรู้เป็นรู้ซื่อหรือเปล่า เวลากระทบแล้วนะคะเวลาเวลาที่มันกระทบกระทบกระทบเนี่ยเราดูมันเราก็ดูมันอยู่ตลอดอ่ะว่าพอกระทบแล้วเนี่ยมันมันมันแค่รู้หรือเปล่าใช่ไหมคะเดี๋ยวโยมอูดเนี่ยโยมอูดจะก็จะไปเอาอยู่นั่นแหละเดี๋ยว ก็คือจะไปเอาความชัดนี่อ่ะไปเอาความชัดไม่ก็คืออย่างนี้ค่ะหลวงตาค่ะถ้ามันชัดเนี่ยมันง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยมูก็ถามอย่างถ้ามันชัดจะเอาความชัดถ้ามันชัดแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ผู้ใดแก่ใหม่ถ้าหนูยมูว่าจะเอาความชัดเอาความชัดถ้ายมูเห็นชัดไล่ทันขนาดเป็นไปแล้วจะจะอะไรจะเอาอะไร ถ้าชัดเนี่ยถ้าเราทำเองเนี่ยมันช้าแล้วบางทีเนี่ยมันมันไม่ชัดแต่ถ้าย์อดิศใช้วิธีทางรัฐเนี่ยถามเยียนถามครูอาจารย์เนี่ยแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าเออที่ถามมานีแล้วเราทําได้ไหมยังไงยังไงแล้วเราก็เอาไปลองทําดูฝึกดูแล้วถ้าละคือถ้าเราศรัทธาศรัทธาใคร สิ่งนั้นเนี่ยมันมันจะได้ผลมากกว่ามันจะได้ผลมากกว่าหมายถึงว่ามันประกอบด้วยศรัทธามันจึงเชื่อมั่นว่าถูกต้องแน่ๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนั่งหาอะไรเท่าไหรเราก็คว้าตรงนี้เลยทาไปเลยลักษณะที่หมูคิดอย่างนั้นเลยไม่รู้ว่ามักง่ายนะเดี๋ยวเดี๋จะอธิบายไงเดี๋ยว <laughs> <laughs> มันไม่ดีอยู่ที่วิธีการมันอยู่ที่อ่านใจตัอให้ขาดทุกขณาปัจจุบันน่ะมันมันมันมไปเอาทํามันไปทรงจีตออกนอกไปไม่ใช่มันมันคือจะไปเอาอะไรที่ทําเราทําเนี่ยจะพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรจะไปเอาอะไรจะไปเอากิเลสอะไรก็อ่านใจตัองให้ขาดทุกขณะปัจจุบันเนี่ยว่าเนี่ยขนาดปัจจุบันเนี่ยมันก็ไอการรับรู้ตาหูจมูกลิ้นแกใจมันเป็นการรับรู้ตามธรรมชาติมันอยู่แล้วล่ะแต่เรามีหน้าที่มีสติปัญญาคืออ่านใจตัองให้ขาดว่าว่ามันรู้สึกเนี่ยเราเนี่ยจะ มันทุกขณะปัจจุบันเนี่ยจะไปเอาอะไรมันจะเป็นมันทุกขณะปัจจุบอนเนี่ยเราเราไปไล่ไล่ไล่ไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วันจะไปเอาอะไรทุกอย่างเราไม่เอาอะไรทุกอย่างมันก็เห็นแล้วรู้แล้วก็ผ่านไปเห็นแล้วรู้แล้วก็ผ่านไปเห็นแล้วรู้แล้วก็ผ่านไปโดยธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องไปไล่รู้อะไรแต่โยมเนี่ยจะเร่งสปีดให้มันรู้ขณะไล่รู้มันทุกขณะที่กระทบแล้วก็ให้มันดับไปรู้ขณะที่กระทบแล้วมันดับไปมันสนุกนะครับ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวสนุกกับกับลูกแจ้งมันไม่มเหมือนกันที่ที่ไม่เศร้าครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านบอกว่าล้ออวงปูมมป่มันท่านฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอัานนี้ในกรณีที่เราไล่เราดูตรงนี้เราก็รู้สึกว่าวันวันหนึ่งที่เรานั่งนั่งว่างๆอยู่หรืออะไรเนี่ยเราก็ปฏิบัติตรงนี้อยู่ก็ก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เหมือนกับ อันนั้นหรือเปล่าคะเหมือนกันไหมคะคือมันจะมีปัญญาที่จะถึงขั้นสูงสุดที่แตัตงเกตเห็นตัวเองออกไหมเนี่ยว่าตัวเองจะไปทําอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นพยายามอย่างนั้นทุกอัจปัจจุบนะันน่ะ คือมันมีตัวเราอ่ะที่เคลื่อนที่ได้มันจะมีปัญญาเห็นตรงนี้ไหมคือไอ้ตัวเราที่พยายามไปรู้ลับไปวางพยายามไปรู้รับไปวางไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้เป็นตัวสังขานเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวขันห่าแต่มันเอาไอ้ตัวเราที่เป็นขันห่าที่เอาตัวปรุงแต่งเป็นตัวเคลื่อนที่ได้กลายเป็นตัวเราซะ ทุกข์นาปัจจุบันน่ะมันไม่ได้วางปล่อยวางใ้สิ่งที่มันเคลื่อนที่ที่ม kind of ันปรุงแต่งเต่มปฏิกิริยาการแสดงพุฏิแห่งจิตแสดงกิริยาการเข้ามาภายในใจทุกขณนาปัจจุบันแต่ไปจนถึงแม่ยผู้รู้เนี่ยไม่เคลื่อนที่ไม่ปรากฏกิริยาการใดไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างอะไรเลยไปจนถึงเราที่ไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างอะไรเลยแต่สิ่งที่ปรากฏในใจล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับแต่เราไม่สิไปจนถึงเราที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีกิริยาการใด แต่ยมูเนี่ยไปยังไปไม่ถึงตัวนี้เนี่ยคือยังเอาไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่เคลื่อนที่ตัวที่พยายามได้ตัวที่แสดงกิริยาการได้ตัวที่พยายามไปรู้ละปล่อยวางได้เราไม่ได้สังเกตตัวเราอยู่เงียบเงี่ยบังเกตใจอยู่เงียบเี่ยบสิ่งใดที่มันมีอาการมีกการกระเพื่อมมีการไหวตัวมีความคิดในตัวตองปรุงแต่งมาทุกขณะปัจจุบันก็ปล่อยวางไปในขณะปัจจุบันนั้นทุกขณะปัจจุบัน แต่ตัวผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยไม่มีการกระเพื่อมเลยไม่ไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏอะไรเลยมมเ ไ, ไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีความเคลื่อนไหวขึ้นมาได้เลยเพราะว่าเราแตแท้มันเป็นวิญญาณหรือเป็นภาตุรู้ที่เป็นว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างธรรมชาติที่ท่านว่าจะพ้นทุกข์ได้ถาวรได้ก็คือต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ไม่ตรุแตง่งเราจะถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งได้ไหมเนะี่ยที่ท่านกล่าวว่าเราปฏิบัตมิมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อไปถึงความไม่เกิดไม่ดับ เราจะไปถึงความไม่เกิดไม่ดับได้ไหมแต่นี้เราก็ติดอยู่ตัวแค่ความเกิดดับเนี่ยคือเราตัวยิ่งเอาตัวเราไปไล่ได้เท่าไหร่เราก็กลายเป็นสิ่งที่เกิดดับได้ตัวที่เคลื่อนที่ได้ตัวที่ปรุงแต่งได้วิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะไปถึงตัวเราแท้จริงที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ดับไม่ทาลายได้กลับคืนหายตัวไปเป็นเดียวกวับกองฟ้าธรรมชาติคือต้องปล่อยวางสิ่งที่เกิดดับได้ทั้งหมดปล่อยวางสังขารทั้งหมดสังขารทั้งหมดทุกข์ริยอาการเป็นสิ่งที่เกิดดับได้ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงได้ทั ปล่อยวางสังขารจนหมดสิ้นทุกขณะจิตปัจจุบันจึงจะพบใจที่ไม่สังขารเราจะไปตรงนี้ถึงตรงนี้ได้ไหมไม่ใช่ว่าเราไปหากรรมวิธีอย่างนี้มันให้รู้อะไรไม่ใช่คือเราต้องเป็นยังไงนะต้องเป็นนักสังเกตตัวยงจริงๆ อ, อยู่เงียบๆจริง ๆ, ๆ, ๆแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดเอง ดับเองเกิดเองดับเองภายในใจของเราแต่ใจเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ไดับเราจะเข้าไปถึงตรงนี้ได้ไหมพ อ, อให้ทุกอย่าง ม, มันเกิดขึ้นเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอ ง, เอ ง, เอ ง, เองแต่ผู้รู้ไม่เคยปรากฏตัวตนไม่เคยเกิดดับไม่มีใครไปพยายามดูพยายามรู้พยายามละพยายามปล่อยพยายามวางแต่รู้ว่าผู้รู้ ไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นสังขารทั้งหมดเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครยึดมั่นหรือมั่นไม่มีใครเสวยไม่มีใครเปหลอกครับถ้าเรามีปัญญาดินที่เข้าถึงความไม่เกิดไม่ดับนั่นแหละเราจึงจะกับเวลาตายแล้วจึงจะหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่งั้นเนี่ยถ้าเราก็เราไปกลายเป็นตัวปรุงแต่งได้เราเอาตัวเราที่เป็น ตัวคิดตัวนึกตัวสึกตัวตองตัวพยายามตัวดิ้นรวนตัวค้นหาตัวพยายามจะทําอะไรตัวพยายามพยายามพยายามพยายามได้กลายเป็นตัวปรุงแต่งได้เวลาเราตายแล้วกลายเป็นตัวเราจะเป็นกายปรุงแต่งกระเด็นยุ่งออกมานอกตัวเราเลยไม่หายตัวไปเพราะอะไรเรายังเอาตัวปรุงแต่งได้เป็นตัวเราหรือเอาตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งหรือเอาตัวปุงแต่งเป็นตัวเราเรายังเข้าไมถึงตัวไม่ปุงแต่งเวลาเราตายเราเลยเข้าถึงตัวไม่ปุงแต่งไม่ได้เพราะเราอยู่ทุกขณะปัจจุบันเราเอาตัวปรุงแต่งได้เป็นตัวเราหมด ตลอดเวลาพอตายแล้วเราก็เลยออกไปกระเด็นไปร้องไห้ไปปรุงแต่งอยู่หน้างานศพของตัวเองอยู่หน้าศพของตัวเองเวลาไปดูศพไปในงานศพตัวเราไม่ตายนะไม่หายตัวไปกลายเป็นในตัวโปร่งแสงมานั่งร้องไห้เพราะว่ามันเอาไอ้ตัวปรุงแต่งตัวทุกข์เป็นตัวเรามันเอาไอ้ตัวปรุงแต่งตัวทุกข์ตัวโศกตัวเศร้าตัวกิเลสตัณหาได้พยายามได้กระเพิ่มได้ตัวอยากได้ มันเอาไอ้ตัวปุงแต่งได้เป็นตัวเราซะแล้วเวลาตายแล้วเราก็เลยไม่สามารถไปไปถึงไอ้ตัวที่มันไม่ปุงแต่งเมืม่อเราไปถึงตัวไม่ปุงแต่งไม่ได้เราเลยไปติดไอ้แค่ไอ้ตัวปรุงแต่งพอตายแล้วเนี่ยมันตายแต่ตัวกายหยาบแล้วก็จิตหยาบแต่มันมีรูปร่างเหมือนตัวเราเป็นกายคงแสงไปทุกโศกเศร้าเสียใจกับแค้นใจอยู่หน้างานศพตัวเองอะเนี่ยแล้วก็รอพวกนันนิาบาลเอาสามง่ามมาจุด ก, กระชากแทงรากถูรูถูกถกลไป เพราะอะไรเรากับหายตัวไม่ได้ไงหายตัวเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ได้พระโคติกาในสมัยพุทธกาลน่ะพอตายเสร็จปุ๊บยมกระทู่นมารออ้าวพอพระโคติกาตายแล้วหาจิตวิญญาณของพระตโคติกาไม่เจอจะจะเอาไปอ้าวทาไมหาไม่เจอไปถามพุทธเจ้าเอ๊ะทําไมจิตวิญญาณของพระโคติกาหายไปไหนหาไม่หาจิตวิญญาณของพระตโคติกาจะเอาไปไม่ได้พุทธเจ้าตรัสว่าพระโคติกาบรรลุพรนิพพานแล้ว ผู้ที่บรรลุนี้ผ่านแล้วจิตวิญญาณหายตัวไปเหมือนดังไฟที่สิ้นเชื้อหรือเหมือนดังเปลวเทียนที่ดับไปผึบถูกเป่าหายแล้วก็หายไปในธรรมชาติเราหายตัวไม่ได้นะเพราะว่าเราเข้าไปถึงตัวที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ได้เราจะเข้าไปถึงตัวที่ไม่เกิดไม่ดับได้เราต้องปล่อยวางตัวที่เกิดดับได้ในใจเราทุกขณะปัจจุบันเราต้องอ่านใจเราให้ขาดต้องเนี่ยไอ้เครื่องอ่านเรานี่ต้องแม่นจริงริง ต้องคมกล้าจริงๆเราต้องเห็นว่าทุกขณะปัจจุบัน ใ, นในใจเราเนี่ยที่มันมีกิริยาการมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ไม่ว่าจะมันละเอียดยิบปานใดก็ตามขอให้มันเกิดดับได้ไม่ใช่เราทั้งหมดปล่อยวางมันหมดเลยแล้วเราจะไปถึงความไม่เกิดไม่ดับเองเมื่อเราปล่อยวางความเกิดดับได้เราจะไปถึงความไม่เกิดไม่ดับมีวิธีเดียวเท่านั้นนะ่ะวิธีอื่นนอกจากนี้ไม่มีวิทยจ้าตรัสไว้นะสติปัฏฐานสี่อะ กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนะ่ยล้วนแต่เป็นสิ่งเกิดดับหมดเลยกายในกายร่างกายก็เป็นสิ่งเกิดดับเป็นของไม่เที่ยงเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นกลางกลงล้วนแต่เป็นสิ่งเกิดดับเอจิตในจิตเนี่ยจิตในจิตธรรมในธรรมเนะี่ยจิตเอจิตคือวิญญาณขันเนี่ยที่ทํางานร่วมกับเจต เ, เจตสิก ค, คือไปรู้อะไรแล้วก็ส่งตอ่อเวทนาสัญญาสังขารคือว่ารู้อะไรแล้วก็จะต้อง รู้ว่ารู้สึกว่ามันถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาถ้าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุทกกรรมสุขเวทนาแล้วจําได้หมายรู้แล้วก็คิดปุงปุงคิดเนี่ยแล้วก็ส่งต่อไปเป็นธรรมอารมณ์ก็คือมาเป็นผู้รู้เพียงขนาดจิตเดียวแล้วก็ส่งต่อไปเป็นธรมรมอารมณ์คือส่งต่อเวทนาสัญญาสังขาร น, นี่คือทำํำการทำงานของขันอาคือวิญ ญ, ญาณขันเนี่ยจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยไปรูปรู่อะไรต่างๆาจมูกนิ้วแก่ใจก็ต้องส่งต่อ เจตสิคือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันดันั้นเป็นผู้รู้แป๊บเดียวแล้วก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารปุ๊บก็เป็นธรรมารลมเดังนั้นจิตก็เป็นสิ่งที่เกิดดับคือจิตหรืวิญญาณสังขารก็เป็นสิ่งที่เกิดดับธรรมารลมเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับธรรมารลมคือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันส่วนจิตคือวิญญาณสังขารเป็นผู้รู้แวบเดียวแล้วก็ส่งต่อเลยดับไปส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณตัวใหม่มาลุยเลื่อยไปอย่างเี้้ยกกถแลวคือ ปล่อยวางขันท่าเรล่านี้เองปล่อยวางไอตัวที่ปรุงแต่งที่เกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้ท่านที่กล่าวว่าต้องไปถึงตัวไม่เกิดไม่ดับไปให้ถึงตัวไม่เกิดไม่ดับต้องลงวิธีที่จะ ไ, ไปถึงความไม่เกิดไม่ดับมีวิธีเดียวคือปล่อยวางความเกิดดับได้ปล่อยวางสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดจึงจะไปพบความไม่เกิดไม่ดับเป็นวิธีเดียวเท่านั้นนะวิธีอื่นนอกจากนี้ไม่มี <S 2> <S 2> ไม่ใช่ว่าเราไปมันถึงว่ามีพยายามเอาตัวเราไปยิ่งกลายเป็นตัวปรุงแต่งอย่างเลย ถ้าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยปฏิบัติไปไม่ถึงความไม่เกิดไม่ดับเนี่ยตายแล้วจะมีตัวเราเนี่ยมันรูปร่างตัวเราเป็นกายโปร่งแสงก็ได้นะเพานอกตัวเราแล้วมาทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจทุกคนต้องถูกลากเขา้านากไปหมดแหละลากกันไปลงโทษลากกันไปรับผลของกรรมที่เราทําไปเดี่ยวโมรู้สึกว่าฟิงกับคำพูดของหลวงตาตรงที่ว่าไปให้ถึงความไม่เกิดไม่ดับอันนี้ค่ะอ๋อมาถึงชัดเลยครับคือหลวงตาบอกว่า ไปให้ถึงความไม่เกิดไม่ดับเนี่ยทําให้ย้อนกลับมาดูมาดูการปฏิบัติของตัวเองแล้วเนี่ยเพราะว่ามันยังมีความไหวมันยังมีความเคลื่อนไหวอยู่มันมันยังเคลื่อนไหวอยู่เพราะว่านอกจากบางทีมันไม่เคลื่อนไหวบางทีมันไม่เคลื่อนไหวเพราะว่าเวลาที่มันกระทบปั๊บเนี่ยเราเราเห็นปุ๊บเนี่ยไม่มีความคิดเราไปผสมก็แสดงว่า ไม่มีความเคลื่อนไหวอันนี้ก็คือไม่มีไม่มีความไปไปถึงความไม่เกิดไม่ดับแล้วสําหรับบางทีแต่ว่าแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยที่บางทีกระทบบางทุกบางเรื่องหรืออะไรที่กระทบปั๊บเนี่ยพอเราพอเรารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยเราเห็นเราเห็นความเคลื่อนไหวของเราแสดงว่าอันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นความเคลื่อนไหวก็จะต้องเห็นคือถ้าถ้าจะไม่มีความเคลื่อนไหวนี่มันจะไม่มีความเคลื่อนไหวตลอดไปทุก ทุกภาษาเลยเหรอคะทุกการกรทบทุกครั้งเลยคะหรือไม่ใช่นในควา ใ, ใจผิดเดี๋ยวความใจผิดจะไปปฏิบัติผิดใจเดี๋ยวจะไปปฏิบัติิดเดี๋ยวเดี๋ยวคือยอมหมูกำลังฟังเนี่ยฟังหลตาพูดเนี่ยไปเข้าใจอีกแบบหนึง่งคือยอมหมูกําลังพยายามจะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่เคลื่อนไหว อันนี้จะเป็นความผิดพลาดมาหันในการในการฟังธรรมนะยมหมูเนี่ยกําลังเข้าใจผิดเนี่ยกําลังว่าจะไปไปกระทบแล้วทําให้ตัวเราเนี่ไม่เคลื่อนไหวอ่าผิดไปเข้าใจแล้วค่ะเพราะวอะไรหงตาก็บอกแล้วว่าทุกขณะกระทบเนี่ยมันจะต้องวิญญาณขันธ์ที่ไปกระทบดวง ต, งตาหัาวใจหัวใจเนี่ยจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันธ์เรียกว่าเจตสิกคือเจตสิกเนี่ยต้องเกิดพร้อมจิต ด, ดับพร้อมจิตจิตก็คือวิญญาณขันธ์ เขาจึงสอนเรื่องอในพระบิดรมันคือรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็คือร่างกายจิตก็คือเนี่ยจิตหรือวิญญาณาขันเนี่ยที่ไปรู้แล้วทำงานร่วมกับเจตสิก ค, คือเวทนาสัญญาตั้งขานอีกสามขันแล้วก็นิพพานคือพ้นหลุดพ้นจากไอ้ตัวปรุงแต่งนี่แหละคือนิพพานนั้นโยมหมูเนี่ยกำลังฟังแล้วก็ใจปิดคือจะไปทําให้เราเนี่ยกระทบแล้วทําให้เรานิ่ง ไม่ให้เราในเคลื่อนไหวอันนี้ผิดพลาดมาหันนะถ้าทำแบบนี้ยเออเลยกลายเป็นโลกเออเลยสมมุติว่าโยมูไม่ไม่ได้ไปทําจะให้มันหยุดแต่ว่าสังเกตดูว่ามันหยุดหรือไม่หยุดได้ไหมคะไม่ใช่สังเกตว่ามันหยุดหรือเปล่าคือเราเรามองดูตรงนี้ซึ่งเป็นตัวตัดสินมองดูตรงนี้ว่ามันยังเ<อ>คลื่อนไหวไอยู่หรือเปล่า ม, มองดูตรงตรงว่าเวลาที่กระทบปั๊บเนี่ยแล้วจิตเรายังเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวถ้ายังมีความเคลื่อนไหวในจิตอยู่ก็บ่บ่บ่ใจผิดผิดผิดก็ใจผิดแต่่าไรเดียวเดี๋ยวแต่อันนี้มันไม่ใช่ระดับบิน ญ, ญาณแล้วมันเข้ามาสู่จิตเดิมแท้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดก็ใจผิดเด <pt> ี๋ยวเดี๋ยวไปกันยังโยมหมูมันเร่งเง่ <lien> <hayat> งเ <Blizzard> ร<ๆ>่งเง้นเร่งเงินเร่งยาวเลย เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็จะผิดก็จะผิดเดี๋ยวหมูจตุภยามไปทําแล้วมันกระทบแล้วมันไม่เคลื่อนไหวอันนี้ผิดละผิดผิดผิดผิดคือทุกขณะกระทบมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาคือมันต้องส่งต่อวิทยาสัญญาสังขานต้องต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาคือในใจของเราเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขันห้ายังไม่ดับเนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ในใจตลอดเวลาคือการกระทบตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่คนเดียวมันก็กระทบเพราะว่ามันคิดไปไง มันคิดไปนึกไปติกตองไปกันเนะ่ยคือกระทบทางใจนะมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ในใจตลอดเวลามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยภายในใจอะ่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติเราจะไปทําให้มันไม่เคลื่อนไหวไม่ได้ย้มหมูกําลังจะไปทําให้มันไม่เคลื่อนไหวมันมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ไม่มีใครไปยึดไม่มีใครไปเสวยสิ่งที่เคลื่อนไหวในใจอันนี้จะชัดกว่าคะ่ะว่าไม่มีใครไปเสวยคือเหมือนกับว่ารู้ซื่อ แต่ตนนี ans ans the. The ้ไอ mm ้ตรงที่รู้ซื่อเนี่ยหมูหมายถึงว่าหมูมาพูดว่ารู้ซื่อคือความไม่เคลื่อนไหวหมูมามาพูดตรงว่าคือมาใช้มาใช้คำพูดบอกหลวงตาว่าไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวเนี่ยหมายถึงว่ารู้ซื่อมารู้ซื่อส่วนที่กระทบแล้วเคลื่อนไหวอะไรอะไรอย่างนั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เห็นอยู่ไม่ไม่ ไม่ไปขัดไปขวางตรงนั้นแต่ผู้เห็นเนี่ยค่ะผู้เห็นเนี่ยผู้ผู้ที่เห็นมันเนี่ยมันไม่มันไม่เคลื่อนไหวตรงนี้เดี๋ยว <c oughs> เด๋ยวม <c oughs> ูตามองเห็นลุงตาตอนนี้นะหูก็ได้ยินเสียงลุงตาพูด โยมหมูสังเก็บใ้ดีๆภายในใจของโยมหมูมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเออเอาไม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่สามารถดับความเคลื่อนไหวได้เ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่ยตามองเห็นลงตาเนี่ยหูก็ดีเหนเสียงลงตาแต่ข้างในใจเนี่ยของโยมหมูเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นไวเบชั่นเลยแต่ไม่มีใครไปเซเวอร์ไม่มใครยึดถือไอสิ่งที่เคลื่อนไหวไปในใจบอกให้มันเคลื่อนไหวอ ย, อย่างอิสระ ไม่ทรามาอย่างนี้จะเห็นได้มันจะเข้าใจเห็นค่ะเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าพอาหลวงตาพูดแบบนี้ก็เหมือนอย่างกับที่เราพยายามจะบอกหลวงตาแบบนี้นแล้วที่หมูจะพยายามจะบอกหลวงตาแบบนี้ว่าไม่ได้ไปห้ามสังขารละขันสังขารละขันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารหมู ก, ก็มองเห็นอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะเกิดจะดับยังไงแต่ไอตัวใจเนี่ย ตัวใจเนี่ยที่ที่มันออกถ้าจะใช้คําพูดว่ามันออกไปยึดหรือว่ามันออกไปเกี่ยวข้องมันมันเคลื่อนไหวออกไปไปเกี่ยวข้องตรงเนี้ค่ะซึ่งซึ่งมันมันมันถ้ามันยังตรงนี้ถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยมันก็ เท่ากับว่ามันยังเกิดยังดับอยู่ที่เมื่อกี้นี้หลวงตาบอกข อ, อแสดงว่าใจใจเกินไปเปล่าเนี่ยใจเนี่ยไม่มีไม่มีใจเนี่ยไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีคาว่าเกิดเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถจะไปเกิดไปดับที่ใจได้ไอ้เรื่องเกิดเรื่องดับ น, นอยู่ตรงขันแต่ว่าตรงใจเนี่ยเขาไม่สามารถจะมีเกิดได้เพราะว่าเขาเป็นความว่างเปล่า ถ้าเรามาพูดว่าใจยังเคลื่อนไหวอยู่หรืออะไรนี่ก็จะผิดไปแล้วใช่ไหมคะทำไมอทำหลวงตาปวดหัวไม่ปวดหัวเราคือ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดยังไงให้โยเข้าใจเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไอทำบรชามันอยู่ต่อหน้าเนี่ยแต่ไม่รู้จะหาคำพูดมายังไงให้มันเห็นเนี่ย คือโยมเป็นตัวเคลื่อนไหวหมดเลยอะถึงจะพูดจะไงโยมพยายามจะทัก็ว่าไงโยมกลายเป็นตัวเคลื่อนไหวหมดอะมันไม่ได้ปล่อยวางตัวเคลื่อนไหวแต่โยมกลายเป็นว่าจะต้องเอาอความเข้าใจเค้นเอาความเข้าใจให้ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยดี๋นี้มันกลายเป็นตัวเคลื่อนไหวหมดไม่ได้ปล่อยวางความเคลื่อนไหวแต่จะเอาความเข้าใจให้มันดับให้ได้ตรงนี้มันก็เลยมันก็เลยไม่เห็นตัวเองคือใจร้อนไปใจร้อน นี่เนี่ยวางมันเหมือนวางใหม่เลยลวางเออวางมันไปอย่างงี้นะแล้วก็พอวางแล้วเนี่ยเริ่มก็จะเห็นมันก็จะปล่อยทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างไปดิสระในใจเราเพราะใจเราวางแล้วไม่ไปหาความเข้าใจอะไรเลยเมื่อใจมันวางแล้วมันเลยเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในใจเรานั่นแหละเห็นยินีหน่อยอ่ะเออ ยือูนยง่ายเมันง่ายจริงกับเปล่าใช่ค่ะเอ้าเอาไหมมื่อไหร่ก็อันจําได้ไหี่บอกให้วางทุกอย่างมันยืง่ายเลยเออแล้วเป็นไงวางทุกอย่างมันง่ายไปไงง่ามันง่ายค่ะมันก็ไม่มีอะไรมันง่ายหมายถึงว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วเป็นไงมันก็ไม่เหลืออะไรเลยก็นั่นแหละไม่เหลือเลยโอ้ ไม่ต้องหาวิธีไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรด้วยอไม่มีการทําด้วยาก็พูดตั้งนานแล้วีเนี่ยที่พูดมาตั้งนานเนี่ยเนะโอ้ยไม่มีไม่มีวิธีทําไม่เหลืออะไรไม่ไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรหนึ่งทํำไมผมคิดเองไม่ได้ทำไมวะเนี่ย ทำไมผมคิดเองไม่ได้ตอนที่ก่อนมาหาโรสตาอุตส่ามันหลงทางอยู่ตั้งชั่วโมงหนึ่งวันอยู่แถวตอนนี้อโอ้ยคราวนี้สบายแล้วค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทอํองทาอะไรเลยโรสตาค <c oughs> ่ะ <c oughs> จะไปทํา ยิ่งทําก็ยิ่งยุ่งยิ่งทําก็ยิ่งมีอแต่ไม่ต้องทําไม่ต้อง ม, มันก็ไม่มีอะไรเลยมันมีจริงๆเลยค่ ะ, ะไม่เหลือเลยค่ะมไม่เหลือแม้แต่ความสงสัยไม่เหลือแม้แต่วิธีไม่เหลือแม้แต่ความไหวตัวออืมไม่เหลืออะไรเลยอืเอาดีแล้วจะได้หายปวดหัวทีหายเลยหายปวดหัวก็โยกดว <laughs> งตากเกาหายท